มาปฏิบาาัตนะิธรรมแล้วน้าท่วมจยิงสู้กันแนละ้วตรงนี้มันก็เป็นการรมตั้งใจความตั้งใจมากของเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญความตั้งใจความตั้งใจของเราก็จะพาเราไปสึง ความสำเร็จเมื่อวันก่อนนี้อ่านหนังสือเล่นมือเขาก็บอกบอกว่ามีเด็กอายุยี่สิบหกคนนึ่งเขาอยากรวย <c oughs> เขาอยากรวยก็ปรากฏว่าเขาอยากรวยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะแต่ก็บอกว่าถึงวันเนี้ยเขาก็รวยพันล้านแล้วลนะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ็ตรงเนี้ยตกงเหมือนๆแบบที่ได้ว่าความตั้งใจ ข, ข, ข, ของเราแต่ละคนก็จะพาเรา ถาเราไปถึงจุดจุดหมายปลายทางแค่นี้พวกเราที่มาอยู่ตรงนี้กัน<ม>ก็อยากให้พวกเราก็ตั้งใจกันนะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้าสอนหรือว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียมสอนหรือว่าสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนสอนหรื อ, ว, รอว่าสิ่งที่พระอาจารย์นตสอนอะไรเงี้ตรงนี้นก็คือการที่จะให้เราไปถึง ถนะามนี่ทุกอย่านะตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่คอยตรวจสอบนะคอยตรวจสอบชีวิตประจำวันของเราว่าเราได้ได้มีผลตรงนั้นไหมเรามีเป้าหมายอย่างนั้นเราไปฝึงนะวันนี้ทุกเราน้อยลงไหมนะการที่เราทําอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครัก็จะเป็นนะนะสิ่งตรวจสอบเราว่านะนะเราทําไปแล้ว มันยังทุกเท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าถุกน้อยลงตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีเ่องหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะมีจุดตรวจสอบที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราเดินทุกที่ถูกทางเราเดินถุกที่ถุกทางเนี่ยเราก็จะไม่สับสนคนเปงไม่เดินก็เรียกว่าลงที่ปิดทางออกไปไม่อ้อมไม่อะไรเหมือนกันนะ ตรงนี้จากการที่เราเริ่มต้นมาพาตัวเองออกจากทุกข์ก็การปฏิบัติธรรมนครับมันจะเป็นสิ่งที่พ า, าเราพาเรออกจากทุกข์เราเริ่มต้นจากการที่เราดูแล้วดูกายเคลื่อนไหวมาใจมารับรู้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เริ่มต้นทันปีมันก็จะมีการบอกนะ มีการดนะูมีการดูดูอะไรก็คือดูกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็ดูใจมารับรู้หล่ลงนะมารับรู้การเคลื่อนไหวของไกายหลางมีการดูมีกา ร, ม, การมีใจตรงเนี้นะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเราเองเราก็ทําเรียกว่าทําตามที่อาจารย์บอกนะลองทําเอง เมืออย่างที่เมื่อคืนหลวงพ่อเขียนก็ถามว่ารู้ไหมตอนนี้มือเราอยู่ตรงไหนนะต้องถามใครหรือเปล่าเราก็เป็นคนรู้เองใช่ไหมเราหลงเราต้องถามใครไหมอย่างงี้ยนะเราก็เป็นคนรู้เองคําว่าหลงก็คือตรงที่ว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจเราลอยไปแล้วอย่างเงี้ยนะใจไม่ได้มาอยู่กับกายแล้วตรงเนี้ยเราก็เรียกว่าเป็นหลงเพราะฉะนั้นนะั่คือตรงเนี้ย เราก็จะมองเห็นว่ามันก็จะมีแค่ตัวรู้กับตัวหลงอยู่สองตัวถ้ารู้ก็หมายถึงว่าใจกับกายเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าหลงก็หมายถึงว่าใจก็ลอยไปตามความคิดตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็สวดนะคาสวดที่เราสวดกันก็เป็นคำสอนของพระริจ้าก็บอกนะจ้ะ ปรัชนาจิงใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความปรัชนาก็เป็นความคิดคั้งๆจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นั่นก็เป็นสิ่งที่เราท่อกายครั้งๆกันก็คิดเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เราก็พบทุกข์พบอยู่ทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่ชอบไม่นิ่งไม่ชอบไม่นั่งเจอเข้าเราก็ทุกข์อีก เพราะนั่นก็คือมันเป็นสิ่เราก็เจอเจอทุกอย่างในที่บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองแต่พอเราไปคิดชอบไม่ชอบพวกเนี่ยเราก็เป็นปุ๊บขึ้นมาแต่งเงนี้เราก็จะเห็นว่าในการที่เราหลงก็คือหลงไปคิดนี่แหละหลงไปคิดนี่แหละตวัวสําคัญพอหลงไปคุ้เมื่อไหร่ก็คุ้มเมื่อนั้นหลงไปคิดเมื่อห ไ, ไหร่ก็คุ้มเ่อนัคิดผิดไปก็คุ้มเมื่อนั้น ว่าเรามีเป้าหมายที่จะไม่พูกันเนี่ยตรงนี้นตัวการของพวกเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องแบบว่าทําให้รู้ดูให้เห็นทําให้รู้ดูให้เห็นถ้าหากว่าเราเห็นชัดเจนเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับคำเหมือนอย่างที่เมื่อคืนหลวงพ่อเทียนอขาบอกอย่างมากหลวงพ่อเทียนกับเต่าบอกว่าเกลือมันไม้เท็มเพราะเกลือมก็อยู่ส่วนหน ทุกมันก็อยู่ส่วนตรงนั้นถ้าเราเห็นมันอยู่เราก็ไม่เข้าไปเกิดรั่วกับทุกชงนี้ดังนั้นจึงตรงนี้ว่าในขณะที่เรากาลังบอกว่าเราดูกายที่เคลื่อนไหวอย่างนี้ใ่ไหมครับก็เอาใจมาคอยรับดูดูกายที่เคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับตรงนดูพอใจที่มาอยู่กับกายเนี่ยแต่ว่ามันก็หลงไปคิดถ้าหลงไปคิดก็กลับมากนะลับมาการที่หลงไปคิดเนี่ยพวกเราเองเ่็จะ ค่อยๆนะสังเกตดูในขณะที่เรามีสติเนาะเห็นว่าเราหลงไปคิดนั่หละรู้สึกตัวได้ว่าหลงไปคิดนั่ะแหละเราก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าที่เราก็จะกลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวใหม่โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปใช้ความพยายามอะไรตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่พรนะเจ้าเนาะบอกสอนเนาะเรื่องการไม่เบียดเบียนการที่เราทำอะไรสักอย่างหนึงนะ่งเนาะ โดยที่เราไม่ต้องพยายามมากเกินไปนไม่ต้องใช้แบบว่าอะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยแสดงว่ามันก็เกินไปจากปกติมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนาะการที่เราปฏิบัติทำไปเราก็จะค่อยๆเกล่าวตัวเราค่อยๆกล่าวตัวเราลงอะไรที่มันพยายามมากเกินไปก็กลับมาสู่ความสมองพอดี ความเพียรที่พอดีก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี one one ่ยค่อยๆพาตัวเราเองเนี่ยพ้นจากทุกข์ไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยความเพียรที่พอดีหลวงพ่อขุ่นเก็จะบอกบอกว่าตรงน oh, ี้ความเพียรที่พอดีหมายถึงว่าเพียรที่จะละความคิดเพียรที่จะละความคิดความเพียรที่ถูกต้องก็คือตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรหลวงพ่อเยศก็บอกเอาไว้นะรู้ว่าคิดมาไหนก็กลับมารี้สึกตัวใหม่ รู้ว่าคิดมาไหนก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ความรู้สึกตัวคืออะไรก็คือรู้สึกได้ไหมนะมาตอนนี้เรากาลังทาอะไรอยู่ตอนนี้เนาะเรากาลังเคลื่อนไหวอยู่ไหมตอนนี้มือเราอยู่ที่ไหนตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการตรวจสอบนะว่านะนะเรารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวก็คืออย่างนี้นะรู้สึกตัวได้ไหมว่ากาลังหลงอยู่รู้สึกตัวได้ไหมว่าเรากาลังกลับมาอยู่กับตัวเรา มันก็มีสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็พูดอยู่เมื่อคืนนี้นะ ม, มีใครเคยเห็นมันพรุ่งนี้บ้างจะไม่มีมีแต่เห็นวันนี้ถ้าหากว่าเราย่อลงมาอีกนิดนึงนะจริงๆทํามื่อวันนี้มันก็ยังมีชั่วโมงข้างหน้าชั่วโมงนู้นๆอีกนะมันก็ยังเป็นเขาเรียกว่ามันก็ยังเป็นส่วนที่ไกลเกินไปเผื่อที่เราเห็นจริงๆก็คือณตอนนี้ณ น, น, า, นาทีนี้ เราทานะําอะไรทำถึงจะทาให้ดีที่สุดนนทีถ้าจำอะไรหลวงพเขียนก็หบอกว่าถ้าเราทาบันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ดีอย่างเงี้ยถ้าเราทํานาทีนี้ดีนาทีหน้าก็ดีนาทีที่แล้วที่ผ่านไปเราก็ทําดีแล้วมันก็ดีไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยมานาทีนี้เราจะทําอะไรถึงจะดีก็คือรุนตัวเนาะไม่หลบ เราจะเห็นว่ามันมีแค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะมีแต่รู้กับมีแต่หลงมีการรู้ก็มีแต่ห ล, ล, ลงถ้าหากว่าเราไม่รู้เราก็หลงไม่มีทางเลือกอื่นมากกว่านะั้นเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเคยชินกับความหลงอยู่เราก็อาจจะเคยชินกับความหลงอาจจะหลงไปทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมาตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเพิ่มพื้นที่ของความรู้กันนะ เรามาเพิ่มตัวรู้กันเราเพิ่มตัวรู้ได้เราก็ย่างพื้นที่ความหลงไปเพิ่มตัวรู้ได้เราก็ย so so ่างพื้นที่ความหลงไปตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยค่อยๆค่อยๆทํำคำว่าค่อยๆทําจริงๆก็คือเป็นการที่เราหัดกลับมารู้สึกตัวหัดกลับมารู้สึกตัวหัดกลับมารู้สึกตัวตรงเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่อย่างที่เมื่อคืน จะโน้ตก็ได้ฉายตารางเวลาของชีวิตเราแล้วก็มีคําตอบที่ชัดเจนนะบอกว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเราทําความรู้สึกตัวพวกไปกับการแต่งเนื้อแต่งตัวการขับรถการกินข้าวการอะไรต่างๆนาน า, น, า น, นี้เนี่ยเราจะพบว่าเรามีโอกาสที่จะรู้ได้ทุกวันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็ใช้การไปส่วนหนึ่งส่วนใจแล้ว ก็อลอยไปไหนๆก็ไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความเคยชินเก่าของเราเราใช้กายไปทางหนึ่งแล้วก็ทิ้งข้างใจไปอีกทางหนึ่งปล่อยให้ใจมันไปน้าเรียกว่าตุลักตุเลอยู่บนความหลงนั่นเองนั่นก็นคือตรงนี้เราหักกันในขณะที่เราใช้กายเนี่ยเราก็เอาใจเนี่ยกลับมารู้สึกตัวด้วยในขณะที่เรา ใช้กายไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวด้วยตรงนี้จะทําให้เราไม่กินข้าวตีปลีไม่แต่งตัวตีปีไม่ขับรถตีปลีไม่เที่ยวตีปลีนะซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราขนวกความรู้สึกตัวเข้าไปแทนที่ความรู้สึกตัวจะไม่ถึงเท่าไหร่เราก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นหลายๆเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาตามความที่เราเนี่ยค่อยๆ ก็เรียกว่าคุ้นเคยกับการสร้างความรู้สึกตัวอย่างที่พระอาจารย์นตบอกนะว่าก่อนนอนนะเราก็อย่าหลับไปด้วยความเหนื่อยอย่าลับไปด้วยความเหนียอย่าหลับไปด้วยความอยากหลักแต่มาให้หลับไปกับความรู้สึกตัวคลิกมือนิดนิดเนาะอย่างนั้นลิกมือน้อน้อยไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งใจเกินไปหลวงพ่อขุนเกียรติกบอกว่าบางทีก็ตั้งใจเกินไปก็แข็งเกินไป เราก็ลิ๊กมือ น, น้อยๆพอรู้สึกตัวนะแล้วก็หลัปปบในความรู้สึกตัวในขณะที่เราตื่นขึ้นมาก็เราสำรวจความรู้สึกตัวนะเห็นไหมคร<ม>รู้สึกตัวไปก่อนรู้สึกตัวไปก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกเ็าเรียกว่าการสิ้นประจําวันแล้วก็จบสิ้นประจําวันไปด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกตัว ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราทาเป็นประจำมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยได้เริ่มต้นนะเรียกว่าวันใหมนะ่ด้วยความรู้สึกตัวเติเนความรู้สึกตัวเข้าไปตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาตั้งแต่เราก็พลิ้ตาแล้วนะลืมตาตื่นรู้สึกตัวได้เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ย สามารถที่จะแบบว่าทําความรู้สึกตัวได้ด้วยแล้วก็เพิ่มนะศรัทธาให้กับตัวเรเองได้ด้วยอืเราก็ทําได้นะนั่นนั่นคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเติมเข้าไปค่อยๆเติมเข้ไปหลวงพ่อเขียนจะบอกบอกว่าความรู้สึกตัวเรอแบบว่าเท่าไหร่ก็ได้แค่ไหนก็ได้คําว่าเท่าไหร่ก็ได้แค่ไหนก็ได้หลวงพ่อก็บอกบอกว่าชั่วช้างสะบัดหูก็ได้ ช่วงูแลบดินก็ได้บอกว่านี่คือการที่ช่วยโอกาสนะเวลานิดนึงก็เจ็บมารู้สึกตัวซะเวลานิดนึงก็เจ็บมารู้สึกตัวซะเจ็บให้หมดแล้วนไมไม่ต้องคิดว่าเราจะมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าที่จะรู้สึกตัวท่านหน้าอย่างเงี้ยไม่ต้องนิดเดียวก็เอาหน่อยเดียวก็เอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี้ยก็ได้บอกช่องทางด้วยกัน เราเนี่ยทุกวันแบบว่าคล้ายๆก็เราก็มีความคล้ามีความเคยชินนะอย่างโดยส่วนตัวก็เหมือนกันนะบางทีแบบคล้ายๆว่าเวลาน้อยยังไม่เอาอะขอเวลามากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะได้เท่านี้ไม่เอาไม่พอขอมากๆหน่อยอะไรเงยซึ่งตรงเนี้ยนะในความรู้สึกตัวในการสร้างความรู้สึกตัวนิดนึงก็เอาหน่อยนึงก็เอานิดนึงก็เอาหน่อยนึงก็เอา ตรงนี้นะจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับให้เราเนี่ยได้ทําความเคยชินถ้าเราทําความเคยชินตรงเนี้เนะเราก็จะพบว่าสิ่งที่ปรารถนาของเราเนี่ยความไม่พุทเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ในรูปต่างๆปรากฏอยู่ในรูปของความไม่สบายกายไม่สบายใจปรากฏอยู่ในรูปของการไม่ถูกใจปรากฏในรูปของการห Ь ยุดจิตโมโหหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราจะพบว่าส่วนต่างๆนานาเหล่านั้นมันก็จะลบไป ลบไปแน่นอนที่สุดตรงเนี้มันก็จะเป็นสิ่งตรวจรัดว่าเรามาถุกทางหรือเปล่าการที่เรามีเป้าหมายใหญ่ๆเราไว้ว่าเราจะขอเนาะแบบว่าไปถึงจุดที่ไม่พุกตรงเนี้แต่มาจุดเล็กๆจุดเล็กๆจุดเล็กๆประจําวันของเราเนี่ยเราสา ม, มารถตรวจสอบแล้วก็การตรวจสอบตรงเนี้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นผลมาจากการปฏิบัติของเราเมื่อไหร่ที่เรารู้เราก็จะไม่ลมหลงเมื่อไหร่ที่เรารู้ก็จะไม่หลง เมื่อไหร่ที่เรารู้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้พื้นที่ความทุกข์เราก็จะลดลงลดลงลดลงซึ่งนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทําได้เมื่อเราสามารถทําได้ตรงนี้จะเป็นที่เรียกว่า เ, าเป็นศรัทธาตัวจริงเป็นศรัทธาตัวจริงที่จะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในทิศทางนี้แล้วถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วเนี่ยมันเกิดทําไมมันถึงได้ ทุกไม่ลดลงเราก็จะได้หาต้นเหตุต่อไปว่า น, นี่เกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราก็จะหาเหตุแก้เหตุเราก็จะเดินต่อไปได้หาเหตุที่ถูกต้องนะก็จะเดินต่อไปได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเป้าหมายของเราชัดเจนเนี่ยตรงเนี้ยการเดินทางของเราเนี่ยจะไม่เนิ่นชา้าในส่วนของ ที่ในการว่าในส่วนที่สัมผัสนะสัมผัสกับการปฏิบัติธรรมในสัมทักษอื่นเนี่ยไม่เคยรู้นะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่เคยไปก็รู้จักแต่ในส่วนที่เจอหลวงพ่อเปลี่ยนปุ๊บก็ประทับใจประทับใจในสิ่งที่เรามองเห็นว่าหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเพียงแค่ตัวเองไม่ทุกอย่างเดียวนะ แต่ว่ายังเจือจานเนี่ยในความไม่ทุกข์อันเนี่ยให้คนอื่นได้อย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพนาะหลวงพ่ออยู่ที่พักไม่ค่อยได้พูดอะไรนะฮะพูดน้อยๆ น, นะแต่ว่าคําพูดของหลวงพ่อแต่ละคำเนี่ยจะชวนให้เราเนี่ยได้ระลึกถึงเป้าหมายของเราอย่างครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็จะพูดตอบคําถามยากโยมเนี่ยนะหลวงพ่อก็ตอบคําถามให้เขาเรียกว่า ด้วยด้วยเมตตาเนะมีอะไรสงสัยก็ถามมีอะไรสงสัยก็ถามอยนะี mm ้ hmm. ก็ถามหลวงพ่อก็ตอบให้ตอบให้คําตอบของหลวงพ่อก็เป็นคําตอบที่ก็ mm hmm. เป็นไปเพื่อให้เรานเนี่ยได้ชัดเจนนะว่า mm hmm. ไอ้ความทุกข์ของเรามาอยู่ตรงไหนความคิดที่ถูกต้องของเราควรจะอยู่ตรงไหน mm hmm. ตรงเนี้ยมีคําถาม มีคำถามหลายคำถามแต่ว่าคำตอบของหลวงพ่อเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยก็จะขมวดได้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อก็ตอบมาทุกวันเนี้ยสิ่งที่หลวงพ่อสนใจนะก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้ไม่พุกเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนใจเราจะทํายังไงตีธรรมให้เราไม่พุกเราจะปลูกต้นไม้ยังไงให้เราไม่พุกเราจะทํำงานยังไงให้เราไม่พุกซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราเนี่ย ว่าคำว่าอะไรอะไรเนี่ยเราลองใส่เนาะใส่กริยาที่เราทำตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเข้าไปเนี่ยเราก็จะพบว่าการทำงานยังไม่ทุกเนี่ยก็ <resources> ทำได้เนะตั้งใจทำแล้วก็ตัดความคิดที่เบื่อทิ้งไปตัดความคิดที่เซ็งทิ้งไปนะไตรงนั้นละความคิดตรงนั้นมากลับมาอยู่การทางานซะเลยตรงนั้นก็คือสิ่งที่บอกว่าณวันนี้เนี่ยเราสนใจ แต่สิ่งอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่ทุกข์อะไรที่ทำให้เราทุกข์เราก็ทิ้งไปละไปทิ้งไปละไปแล้วตรงนี้ละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยตื้นเคยกับการละความทุกข์ไปกับการละความทุกข์ไปความทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่มีนะมันก็มีเหมือนกันเกลือนะเกลือมัอยู่ในกระทออยู่ในไหของมันอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าไปยุ่งเท่านั้นเองตรงเนี้ยน่จะเป็นสิ่งที่เป็นอนิสงส์ของการที่ เราเค่อยๆดูค่อยๆดูทุกมันอยู่ตรงไหนตรงนี้อืเห็นว่าคิดไปนะเราก็กลับมาเห็นว่าคิดไปนะก็กลับมาตรงเนี้นะหัดเป็นผู้ดูหัดเป็นผู้เห็นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยตัวเราเนี่ยครับก็คือกายเราใจเราก็จะถูกดูนะถูกดูผ่านการที่เราเริ่มต้นกรรมฐานกันเลยผ่านการที่เราเริ่มต้นเลยดูการยนูหมายดูใจคิดนึกอย่างนั้น การที่เราเป็นผู้ดูตรงนี้นก็จะเป็นที่สุด่าเราเนี่ยก็จะไม่เป็นอะไรกับอะไรหลวงพ่อก็เขียนจะบอกบอกว่าเราไม่เป็นอะไรกับอะไรกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราตรงนี้ยเราก็จะเห็นเห็นหลวงพ่อก็เขียนเนี่ยได้ดำเนินชีวิตประจำวันนีผ่านการที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรตรงนี้ผ่านการที่หลวงพ่อฝึกที่จะดูฝึกที่จะเห็นตรงนี้นะ มัน <c oughs> เป็นสิ่งที่เมื่อดูเมื่อเห็นเนี่ยหลวงพ่อก็ชัดเจนนะบอกว่าบอกพวกเราว่าก็ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเป็นเห็นหูไห ม, ไหมเห็นหูงูมันจะกัดเราได้ไหยถ้าเห็นทุกข์เหมือนเห็นงูนนเนี่ยเราก็ไม่เข้าไปยุ่งนะทุกข์มันก็ไม่ทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าการที่เราหัดเป็นผู้ดูนะตั้งแต่แรกตรงเนี้ยมันจะพาเราไปเรื่อยๆพาเราไปเรื่อยๆแต่พอตรงเนี้ย เราเองเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยกำลังสนใจเรื่องที่จะทำให้เราไม่ทุกข์เรากำลังสนใจเรื่องจะทำให้เราไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนั่คือตรงนี้เนี่ยเมื่อเราสนใจแบบนี้เนี่ยเราก็เติมความรู้สึกตัวเข้าไปในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆเติมความรู้สึกตัวเข้าไปในขณะที่เราขับรถลงเรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยตรงนั้นนะจะเป็นสิ่งที่เรว่าอิทธิยาบท ย, ย่อยๆ อิริยาบถย่อยๆไม่ใช่คำไม่ย่อยไม่ใช่มหมายถึงว่ามันมีความหมายที่เล็กน้อยนะแต่ว่าอิริยาบถย่อยๆมันมีมันมีในทุกๆวันแล้วมันมีในทั้งวันของเรามีอิริยาบถย่อยๆเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่าเขียนจะบอกบอกว่าเวลาที่ได้นั่งยกนิ้วสร้างจังหวะเนี่ยหรือในเวลาที่มีโอกาสได้เดินจงกรมเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อเขียนจะบอกบอกว่าเป็นอดีเลกกับเป็น เป็นอดิเลกรราลาใช่ไหมล่ะถูกต้องนั่นก็คือบอกว่านี่คือเป็นลาบอันพิเศษเลยนะเพราะว่านั่นคือโอกาสที่เราจะได้มีเวลามายกมือสร้างจังหวะมีเวลามาเดินจงกลมเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยน้อยมากเลยแต่ว่าเวลาที่เราจะเจอกับอินเดียบทย่อยๆเนาะการทํางานในทิศประจำวันการทำนู่นํานี่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็จะโน้ตก็จะบอกนะบอกว่าเราเนี่ยนะ แต่่ว า, าถ้าจับสมดุลในชีวิตเรามีการปฏิบัตินะทั้งในรูปแบบมีการปฏิบัติทั้งนอกรูปแบบยตรงนั้นก็วันทั้งวันของเราเนี่ยก็จะเป็นวันที่เราเนี่ยอยู่ความรู้สึกตัวแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็ น, ว, นวันทั้งวันที่เราเองเราก็พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์ได้เยอะแยะเองเพราะนั้นที่ตือตรงนี้เนาะการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเขียนจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องปรับเนาะแต่เป็นเรื่องดึกซึ้ง แล้เราเองเราก็สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยเรากําลังหลงอยู่กับทุกข์หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังรู้สึกตัวแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ตรงไหนแล้วนะก็ไม่มีทุกข์ตรงที่ใจนะสรุจตรวจรสอบดูใจเราทุกข์หรือลาใจเป็นกุลเนี่ยจะไม่ห้ามเป็นยังไงใจเราสบายเมื่อคืนเนี่ยนะนยนะว่าเพียงจะบอกวนะ่าเนาะเรารู้สึกตัวเนาะ ใจเราไม่ทุกข์นะัใจเราก็สบายกินข้าวแซ่บนะอย่างเงี้ยจะเป็นนั่นก็คือเวลาที่เราทุกขนะ์เนาะกินข้าวก็ไม่ได้ปวดหูปวดหนูงยะแย่ยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นยิ่งตรงเนี้ยนะครับว่าเราเนี่ยปฏิบัติทำไปเราหมายตรวจสอบมันคอยดูนะใจเราไปหลงอยู่กับทุกข์หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เนี่ยใจเราเนี่ยมาอยู่กับกายเรานะตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่ปลอดภัยตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่ไม่ทุกข์ แล้วก็ตรงนั้นนะให้เราสังเกตนะว่าในความสมุขของใจเราเนี่ยที่ไม่มีทุกข์มาเจริญเนี่ยตรงนั้นคืออะไรอย่างเขาเทีย น, นยก็บอกชัดเจนนะไม่เอาอะไรไม่ต้องเอาอาราหันต์ไม่ต้องเอานิพพานนะเอาแค่ไม่ทุกข์นี่แหละพอเลยนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือตรงนี้ถ้าเป้าหมายของเราชัดเจนมากเราจะพาตัวเราเองเนี่ยไปสู่ความไม่ทุกข์เนี่ยเราก็มีวิธีการที่กุม า, า, จารจันบอก ก็มีสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้โดยความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นนั่นคืรนี้ก็อยากให้พวกเรานะทุกทุกคนเนี่ยก็ได้เพียงเพียงในทางที่ถูกแล้วก็การที่เราจะไปเขาเรียกว่าสแสวงหาสแสวงหาครูบาอาจารย์หรืออะไรอย่างอื่นตรงนี้เนี่ยก็ได้อย่างดีที่สุดก็คือคำแนะนำเท่านั้นเองแต่ว่าคำแนะนำตรงนี้เนี่ยก็ท้ายที่สุดก็ต้องจบลงที่เราลงมือ ถ้าหาว่าเราลงไม่ลงมือผลก็ยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นนั่นคือบางคนอาจจะบอกอกว่าไปหาครูบาอาจารย์คนนั้นไปหาครูบาอาจารย์ตรงนี้รู้จักไปครูบาอาจารย์มาเยอะแยะแล้วทําไมทุกข์ไม่ลดลงเพราะว่าเรายังไม่เริ่มต้นลงมือทำถ้าากว่าเราเริ่มต้นลงมือทำเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าก็จะตามมาเพราะฉะนั้นนั่คือตรงนี้เรามาเป็นสิ่งที่ทํามไม่ทุกข์ ลอพวกเราทําให้ปรากฏเท่านั้นเองดังนั่นคือตรงนี้ก็ชนชวนกันนะครับครูบาอาจารย์ก็ได้บอกแล้วพระจันโ น, นก็ได้ม า, าเคลียกว่า ม, มานํำพวกเราในทางที่ถูกที่ควรนะะคําสอนของหลวงพ่อเทียนคําสอนของหลวงพ่อที่เนขะียนคําสอนของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเราเองก็ได้สวดได้ฟังกันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ เหลืแต่ความเพียรที่ถุกทางของทุกเราก็ขอทุกเราเได้ตั้งใจทำความเพียรตรงนี้แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยก็เดินทางคนทุกกันด้วนกันทุกคนรุ<า>กเร า, ากลับม้องกันอาหลนะังน้าตั้งมาม